พอเป็นคนดีหัวใจดึงนี้ก็โดนทำร้ายพอเป็นตัวร้ายผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลวทุกทุกความทรงจำความรักฉันพังแหลกแลว้วที่บอกฉันเลวแล้วควรทำไง เป็นคนดีก็โดนเขาทิ้งเป็นคนเลวก็โดนเขาดา่าให้เป็นอะไรก็ช่วยบอกมาหรือทำยังไงก็ไม่เขาตาต่อให้ฉันทำดีมาสิบปีแต่ต้องยั่งเธอมาจากเขาอยู่ดีตัวเอกสมหวังแค่ในละครเจสีเรื่องจริงจะได้เธอต้องเป็นตัวร้ายอยู่ดีพอเป็นคนดี รผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลวทุกทุกความทรงจำความรักฉันพังแหลกแล้วที่บอกฉันเลวแล้วควรทำไงช่วยบอกฉันทีเป็นคนดีแล้วได้อะไร ทำดีแล้วได้อะไรรักเธอแล้วได้อะไรสุดท้ายเราเธอก็ไปต้องเป็นคนเลวใช่ไหมอย่างที่ใครบอกไว้รับบทที่เป็นตัวร้ายต้องแย่งชิงเธอจากเขาทั้งที่ใจรั้วเธอนั้นเป็นของเราทำดีทแทบตายยังไงก็กลายเป็นรักเก่ารักที่เคยเป็นสีชมพูวันนี้ก็กลายเป็นสีเทาพอเป็น พอเป็นตัวร้ายผู้คนมากมายบอกว่าฉันเลวทุกทุกความทรงจำความรักฉันทั้งแหลกแล้วทีบ่บอกฉันเลวแล้วควรทำไงช่วยบอกฉันทีพอเป็นคนดี